สุทนัย 4. สังฆหิเตนะสังคหิตะประทานิเทศร้อเกสอสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งร้สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอิถินสีปูริสินสีสุขหินสีทุกหินสีสมุนัสินสีโทมุนสินสีอุเปกหินสี สัตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอนัญญาตัญญสามีตินสีอัญญินสีอัญญาตาวินสีสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยภาษาที่เกิดเพราะมีสลายอายตนะเป็นปัจจัย ตันหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยกรรมภพที่เกิดเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้ด้วยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสติปัทานสา ม, มปทานอปมัญญาอินรีห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมรรมีองค์8 ปัสสะเจตนาอธิโมกมนัสการสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นคันทะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะ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 สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอิยตนะและธาเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอยตนะหนึ่งและธาหนึ่งรวมบทธรรมในจตุทนัย69บทสัจจะสองอินรียสิบห้าปฏิจจสมุบาทบอต่อจากปฏิจจสมุบาทอีก11บอ็ดบทเนโคจักะอีก30บท สังคหิเตนะสังคหิตะปทานิเทศที่สี่จบห้าปัญจมะในห้าอสังคหิเตนะอสังขหิตะปทานิเทศร้อยเก้าสิบสาม สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับรูปขันธ์สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดร้อก้าสบสี่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 สภาวธรรมเหล่าดใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับวิญญาณขันธ์มนาญตนะจักขรวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุมนิสีสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบอ็ด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 สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสุขหินสี่ทุกขินสี่สมุนทินสี่โทมุนทินสี่อุเปขินสี่สัตทินสี่วิริยินสี่สตินสี่สมาทินสี่ปัญญินสี่อนัญญาตัญญสามีทินสี่อันยินสี่ัญญาตาวินสี่อวิชชา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 อายตนะและธาตุกับโสกะทุกข์โทมั์กุปายาสติประธานสัมมประธานฌานอปมัญยาอินสีห้าภละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมัคมีองแปดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอธิโมกมนัสการสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุ กับสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเจ็ดสองรสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและท่ากับจิตสภาวะธรรมเหล่าใดส่งเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและท่ากับสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันศีลอายตนะสิบเอ็ดและท่าสิบเอ็ดหนึ่งติกะสอง้อยสิบสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขัน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 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสขาุคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสคารุคลสภาวธรรมที่เป็นมหคตะสภาวธรรมที่เป็นอปมานะ สภาวะธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอปมานะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมชั้นต่ำสภาวะธรรมชั้นปานีสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีมักเป็นเหตุสภาวะธรรมที่มีมักเป็นอธิบดี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 อายตนะสิและธาตุสิบเจสองร้สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบ2อสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตสภาวะธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต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 สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสภาวธรรมที่รัคนกับจิตสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต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 สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสทำไม่เศร้ามองสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาสภาวะธรรมที่มีวิตกสภาวะธรรมที่มีวิจารสภาวะธรรมที่มีปีติสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุข สภาวะธรรมที่สหาโลโคด้วยอุเบกขาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งหรือวัตทุกข์สภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์สภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สาบรองให้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 อิทิหนึ่งปุริสินีหนึ่งชีวิตินีหนึ่งนามรูปหนึ่งพสองอสัญญีพบและเอกาโวการภพชาติหนึ่งชราหนึ่งมรณะหนึ่งบทที่เป็นรูปหนึ่งอนารมณบทหนึ่งโนจิตตบทหนึ่งจิตตวิปยุตตบทหนึ่งจิตตวิสังสทบทหนึ่งจิตตสมุดฐานบทหนึ่ง จิตตะสหภูบทหนึ่งจิตานุปริวัติบทหนึ่งภาหิรบ 1, าบทหนึ่งอุปาธาบทหนึ่งในยี่สิบสองบทนี้เป็นวิสัยแห่งปุจฉาและวิจัดชนาอาจารยหิเตนะอาังคหิตะปะทานิเทศที่ห้าจบ ในหกสรรพโยคะวิปโยคปะปทานิเตหนึ่งขันสอง28รูปขันสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันสอายตนะหนึ่งท่าเจ็และวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน 2องเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสัมพยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมพยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน230 วิญญาณขันท์สัมปยุทธ mm ์ด้วยขันทร์สาและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอัย์อายจนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันรย์หนึ่งอายจนะสิทธิาตุสิและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 2. อายนะสองจากขาอายตนะโพธพายจนะสัมปยุทธ์ด้วยขัน์อายนะและธาตุเท่าไร ไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุทธจากขันส Clear hey ี่อายตนะหนึ่งธาติเจและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วน23งมนายตนะสัมปยุทธด้วยขันสามและสัมปยุทธด้วยอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบ ท่าสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน 3. าทาตองร้อยสามสามจากขุทา่ททาโพธาพท่าสปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสำปยุทธ์วิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันสี่อายตนะหนึ่งทาเจและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งทาหนึ่งบางส่วน 2องสาสสจากขวัวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสัมพยุทธ์ด้วยขันสามและสัมพยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสสภาวธรรมมีสัจจะเป็นต้น สองสมสิหสมุทยรยะสัตมรขสัตสำปรยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสำประยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปะยุทธ์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและวิปรยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองสาสิบนิโรธาสัตจากขุนสี่ กายินสีอิทินสีปุริสินสีสำปยุทธ์ด้วยขันยัตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสำปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันยตนาและ ท, าทาะ่าเท่าไรวิปยุทธ์จาก şey. ขันสียัตนาหนึ่งทาเจ็ดและวิปยุ 1, ทธ์จากยตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสอง้สามสิบเจ็ดเมนินสีสำปรยุทธ์ด้วยขันสามและสำปรยุทธ์ด้วย 1, ททยัตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน วิปยุทธจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสอง้อยสามสิบปดสุขหินสี่ทุกหิ น, 4, ส, นสี่สมณสศีลสี่โทมณสศี4สี่ัมปยุทธด้วยขันสามอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งและสัมปยุทธ ด, ด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน วิปยุติจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาสิบหและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาหนึ่งบางส่วนสองร้อุเปกขินสสัมปยุติด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาหกและสัมปยุติด้วยอายตนะหนึ่งธาหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบ ๕๑และวิปยุติจากอเยตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน240สัตทินีวิริยินสีสตินสีสมาถินีปัญยินีอนัญญาตัญยสมีตินีอัญยินีัญญาตาวินีอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสัมยุญด้วยขันธ์สามอเยตนะหนึ่งธาตุหนึ่ง Sabes, และสัมยุญด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน241วิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสัมยุญด้วยขันสามและสัมยุญด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน242ร้24สสภาษะที่เกิดเพราะมีจลายาตนะเป็นปัจจัยสัมปยุจด้วยขันสามอายตนะหนึ่งท่าเจ็และสัมปยุจด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไร วิปะยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปะยุตจากอายตนะหนึ Knowledge ่งท่าหนึ่งบางส่วน243เวทนาที่เกิดเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยสัมปยุตด้วยขันสามอายตนะหนึ่งท่าเจ็และสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน244สี่สตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรมมพบที่เกิดเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยสัมปยุตเรียขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบ ท, ท่าสิบหและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองรสสิห้ารูปประพบสัมปยุตเรียกขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่าสามสองอสี่สหรูปประพบ เนวสัญญานาสัญญาภพเจตุโวการภพสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองอสาสัญญาภพเอลกโวการภพ ปริเทวะสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันสี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็และวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองรสสิบโซกะทุกขโทมนัสสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน วิปยุตยิจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาสิบหและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาหนึ1 1> ่งบางส่วนสองอสสิบเกอุปายาสติปฐานสัมมปทานสัมปยุติด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาหนึ่งและสัมปยุติด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันอายตนะและธาเท่าไร วิปย uh, ุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน250อิบอิบาทสัมปยุตด้วยขันสองและสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สหาฌานสมปยุทธเรียขันสองอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสมปยุทธเรียขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุและวิปยุทธจาก อ, อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน252อยบปมัญญาอินรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด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 อยายตนะหนึ่งทาเจและสัมปยุทธเดยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งทาหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอยนายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสและวิปยุทธจากอยายตนะหนึ่งทาหนึ่งบางส่วน254เวทนาสัญญาสัมปยุทธเดยันสาอายตนะหนึ่งทาเจ็ด และสัมปะยุด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและธาตุเท่าไหรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน255จิตสัมปยุด้วยขันสามและสัมปยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร วิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองอยหสิหกมโมกสัมปยุจด้วยขันสามอายตนะหนึ่งท่าสองและสัมปยุจด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไหร่วิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบห้า และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนหเติกกะสองห้าสเจสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสมบยุต์เดียวขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ ไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหกและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน 8, สองห้าสิบปดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและท่าเท่าไร วิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบห้าและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองห้าสิบเสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยขันหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบเอ็ด และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน260สภาวะธรรมที่เป็นวิบากสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาเท่าไหรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน261สสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก สภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบทาสิบหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน2 6งรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 สัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบห้าและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองหสหสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและท่าหนึ่งบางส่วน วิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะ10บท่าสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน266สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สัมปยุด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุจวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่านี้ที่จะวิปยุจ แต่วิบยุตจากธาตุหนึ่งสองหกสสภาวะธรรมที่สหรกรดด้วยสุขสัมพยุตด้วยขันหนึ่งและสัมพยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิบยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิบยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้าและวิบยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน268สสภาวะธรรมที่สหรคตดด้วยอุเบกขา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 สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวะธรรมที่เป็นของเสขับุคคลสภาวะธรรมที่เป็นของอเศขับุคคลสภาวะธรรมที่เป็นมหาคคตะสัมปยุตเจขาดัจอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตเจขาดัจอายตนะและท่าเท่าไร วิปยุตจากขั 1, นหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน2องสภาวะธรรมที่เป็นอปปมามะนะสภาวะธรรมแชมปราณีสัมปยุตจากขัอนอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขัอนอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและ อ, อยายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากทาตหก สองเจ็ดสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์สัมปยุต ด, ด้ยวยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน272สภาวธรรมที่มีมหคัตเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์ สภาวะธรรมชั้นต่ำสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุสภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีสัมปยุทธ์แจแขนอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์แจแขนอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์แจแขนหนึ่งอายตนะสิบ ท่าหและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองสภาวะธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสัมปยุตด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่านั้นที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่าห้าสองสภาวะธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีอนัตตธรรมเป็นอารมณ์สัมปยุทธ์ด้วยขนันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขนันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน27ง็สหสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ สภาวะธรรมที่มีธรรมภาย น, นายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์สัมปยุทธ์จากขันยัตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันยัตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งยัตนะสิทธิ์ท่าสิทและวิปยุทธ์จากายัตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองสิบสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัมปยุทธ์จากขันอยตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอยตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันสี่ยตนะหนึ่งท่าเจ็ดและวิปยุทธ์จากอยตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน